หลายคนเลยนะเวลาป่วยด้วยโรคร้ายก็ต้องถึงขั้นโรงพยาบาลอยู่ในอาการหนักเขาก็จะพูดว่าเนี่ยรู้งี้สบุนไี่ให้น้อยลงหรือว่ารู้งี้เนี่ยจะไม่กินเหล้ามากอย่างที่เคยทำหรือว่ารู้งี้เนี่ยจะกินหวานให้น้อยลงหรือว่ากินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วคนที่พูดอย่างนี้เนี่ย คือมันเผยมันก็ว่าเขาเพิ่งรู้นะว่าไอาการที่สูบเรี่มากขึ้นกินเหล้าเป็นประจำต่อเนื่องหรือว่ากินอาหารที่ตามใจปากเนี่ยมันทำให้เกิดความเจ็บป่วยจริงๆเขาก็รู้มานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่สนใจที่จะทำตามที่รู้คนที่ป่วยเป็น มะเร็งปอดหรืว่าโรคตับแข็งเพราะว่าสูบบุหรี่กินเหล้าอย่างหนักเนี่ยพวกนี้รู้มานานแล้วว่าบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีนะมันเป็นอันตรายอย่างไรบ้างแต่ว่ า, ข, าข้อหัข้มใจไม่ได้เวลาผู้ว่ารูงยีรุงยีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะรู้มานานแล้ว แต่ว่าสิ่งที่รู้เนี่ยมันไม่ได้มีผลในการกาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการบริโภคเลยที่เดียวกันนะคนแก่จนมไม่น้อยเนี่ยเมื่อถึงคราที่ตัวเองเจ็บป่วยหรือต้องเจอกับความโดดเดี่ยวอ้างว้างหลายคนก็จะพูดว่าเนี่ย รู้มีเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่ตอนที่ยังมีสุขภาพดีหรือว่ารู้มีเนี่ยนะก็จะข้อวัดปฏิบัติทำเพื่อได้คือจิตถุกใจให้พร้อมรับมือกับเวลาเจ็บเวลาป่วยไม่ต้องมาทุกทรมานทางกายและใจโดยเพาะเวลาที่ต้องนอนติดเตียง หรือถึงไม่ป่วยนะแต่ว่าต้องอยู่ลำพังเพราะว่าสามีก็ดีหรือว่าคนรักก็ดกีก็ล้มหายใตจากไปลูกๆก็แยกบ้านแยกเหรือนไปอยู่ที่อื่นเอาคนเรานี่จริงเขารู้มาก่อนแล้วละ่ะว่าพอคนเราแก่ตัวโดยเพราะในยุคนี้เนี่ย จะต้องเจออะไรบ้างเจอความเจ็บเจอความป่วยกำลังวังชาถดถอยแล้วก็ต้องเจอกับความโดดเดี่ยวไม่เหมือนกับคนแก่สมัยก่อนหรือคนแก่ในชนบทจริงๆเมื่อางคนแก่ในชนบทเวลานี้นก็โดดเดี่ยวมากขึ้น ร, รู้มานานแล้ว แต่ไม่กระตือรือร้นนะที่จะเตรียมตัวเตรียมใจพอไม่เตรียมตัวเตรียมใจพอเจอเข้าจริงๆก็เลยรู้สึกเสียใจนะรูปนี้เนี่ยฉันจะฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมนะสำเร็บสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเล่ามาแล้วนะว่ามีการสอบถาม คนแกอายุแปดสิบปีขึ้นไปว่าเมื่อเขามองย้อนกลับไปในเด็กเนี่ยอะไรที่เขาอยากจะทําให้น้อยลงหรือว่าอะไรที่เขาอยากจะทําให้มากขึ้นคําตอบของคนส่วนใหญ่คือว่าอยากจะหงุดหิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงแล้วก็อยากจะให้เวลากับคน รอบข้างคนใกล้ตัวมากขึ้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปปล่อยใจให้จมอยู่กับความทุกข์หัวเสียงุดหิตก็เรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ให้เวลากับคนรักมากเพียงพอมืู่ว่าพลาดไปก็สายไปซะและ้ว ก็คงคล้ายกันนะรูนี้เนี่ยฉันก็คงจะไม่มาหุดหงิดหัวเสียก็เรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่างูงี้ฉันก็จะให้เวลากับคนที่มีความสำคัญในเชื่องเ้าให้มากขึ้นแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้นะรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ขนไคว่ที่ ทำในสิ่งที่ควรทำไม่เป็นการรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไม่ไปมัวแต่ยึดติดถือมั่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าไม่มัวแต่ไปเพลย์กับการงานความสุขสนานจนไม่มีเวลาให้กับคนที่เกื้ยงรักก็รู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำ ทุกเม่กับพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะที่รู้สึกเสียใจว่าให้เวลากับลูกน้อยไปตอาที่ลูกนี่ยังเด็กพอลูกเป็นวัยรุ่นลูกก็เรียกว่าไม่สนใจพ่อแม่แล้วหรือคนที่เป็นลูกจํานวนไม่น้อยก็รู้นะว่ารู้สึกเสียใจนะเมื่อเนี้ยไม่ได้ให้เวลากับพ่อแม่มากเพียงพอ มารู้หรือมาเสียใจก็ตอนที่ท่านจากไปแล้วก็จะบ่นว่ารู้งี้เนี่ยนะฉันจะให้เวลากับพ่อแม่มากกว่านี้หรือรูกงี้ฉันก็จะให้เวลากับลูกมากกว่านี้ก็เหมือนกันนะเวลาผู้คนรู้งี้รู้งี้เนี่ยไม่ใช่ว่เพิ่งรู้นะรู้มานานแล้วแต่ว่า ไม่ได้กระตือรือล้อนขนไคายนะที่จะทําสิ่งที่ควรทําหรือสิ่งที่ตัวเงรู้ไอ้ความรู้เนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่ได้ได้ฟังมาจากคนนั้นคนนี้หรือได้อ่านก็รู้นะว่าเออลูกนี่เขาก็อยู่กับเราก็เฉพาะตอนที่เขาอยากอยู่กับเราตอนที่เขายังเด็กพอเขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ เขาก็พร้อมที่จะไปเป็นตัวของตัวเองไปมีชื่อของเขาเองไม่สนใจพ่อแม่หรือรู้มาก่อนแล้วนะว่าเออพ่อแม่ของเรานี่ยเขาก็อยู่มีเวลาอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าเขาก็ต้องไปก็รู้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้กระตือรือร้นที่จะให้เวลากับท่าน จนวันท่านจากไปเราถึงค่อยมาเสียใจแล้วก็บ่นว่ารู้นี้ฉันไม่ทำอย่างงน้นรู้นี้ฉันทำอย่างนี้มันรู้มานานแล้วคนเราเนี่ยแค่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันมันไม่มากพอนะที่จะทำให้เราขยับทำอะไรในสิ่งที่ควรทำหรือทำให้เราเนี่ย หลีกเลีในสิ่งที่ควรลีกเลี่ยงส่วนใหญ่เนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกด้วยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกด้วยแครู้สึกเป็นทุกข์นะมันจึงจะเกิดการขยับอันนี้พระเจ้าเคยตรัสเอาไว้นะคนเราเนี่ยมีสี่ประเภทนะพระองค์เปรียบเหมือนมา้มาสชนิด ชนิดแรกเนี่ยนะเพียงแค่สารถีเนี่ยยกประตักขึ้นมาพอหมานี่มันเห็นเงาประตักบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วนะว่าจะต้องเลี้ยวแล้วเลียเล้ยวซายเลี้ยวความก็รู้พ่อมาประเภทที่สองเนี่ยเห็นเงาประตักก็ยังเฉยนะจนกว่าจะโดนประตักนี่ทิ่มทะลุขุมขนจึงรู้ว่าควรจะเลี้ยว หรือควรจะตรงทีที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มนะทะลุถึงเนื้อเลยถึงรู้ว่าควรจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาทีที่สี่เนี่ยต้องโดนประตักทิ่มไปจนะถึงกระดูกเลยนยะถึงจะรู้ว่าควรจะพาสารถีนี่ไปทางไหนเปรียบกับคนสี่ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ รู้ได้ข่าวว่ามีคนตายที่นั่นที่นี่ก็เกิดความเกิดได้คิดขึ้นมาเกิดความกระตือรือร้นคนขอยในการทำความดีสร้างบุญสร้างบุญสรหรือว่าฝึกจิตฝึกใจให้มีธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อหน้าจึงรู้ว่าจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะทความดีสร้างบุญสร้างบุญสนหรือว่า ประพฤติปฏิบัติธรรมประเภทเที่สานีต้องมีคนรักญาติมิตรพ่อแม่เนี่ยตายก่อนถึงจะเกิดความฉุกคิดแล้วก็ค้นควายทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรม ประเภทที่สีเนี่ยตัวเงเนี่ยเจียนตายหรือมีความตายมาประชิดตัวแล้วเนี่ยถึงค่อยขนขวายที่จะทำสิ่งที่ควรทำมันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลพระปฏิบัติทำสีส่สประเภ ท, น, น, เภทเนี้นะพุทธเจ้ต่อประเภทแรกดีที่สุดประเภทแรกเนี่ยเขาแค่รู้แค่รู้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ก็คือขยันทำความดีสร้างบุญสร้างบุญศรู้ว่าหลายรู้ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงส่วนเพศที่สองที่สารพิสีเนี่ยรู้ยัง ไ, ไม่พอนะมันต้องรู้สึกด้วยนะคือต่อเมื่อเห็นคนอื่นตายต่อหน้าเห็นหรือรับรู้ว่าญาติตายหรือความตายมาประชิดตัวจึงค่อยขยับที่จะทำสิ่งที่ควรทำ สเตเที่สองสเตปที่สามตเตปที่สีเนี่ยไม่ได้รู้อย่างเดียวนะมันต้องรู้สึกด้วยรู้สึกทุกรู้สึกกลัวเห็นคนอื่นตายก็เลยนึกถึงความตายขอยงตัวเ อ, เองขึ้นมาหรือว่ายานมิตรคนใกล้ชิดตายเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเกิดความกลัวก็เลยผลขวาญทาความดี นี่มันสะท้อนความจริงของคนเรานะว่ามีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละนะที่แค่รู้เนี่ยว่าอะไรดีอะไรดีไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาก็ลงมือนะลงมือทำหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกเช่นเกิดความกลัวหรือเกิดความทุกข์บีบคั้นต่อเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ย จึงค่อยสนใจนะที่จะปฏิบัติธรรมในตอนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สนใจทั้งแต่ที่ร่วมการปฏิบัติธรรมรั้งที่รู้ว่าสักวันนี้ต้องแก่สักวันนี้ต้องป่วยแล้ถึงตอนนั้นเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจมันจะช่วยได้หรือรู้ว่าเนี่ยถ้าหาว่าไม่ออกกําลังกายกินอาหารตามใจปาก มีพฤติกรรมเสี่ยงมันจะทําให้เกิดความเจ็บป่วยรู้แต่ไม่สนใจจะทาคือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นหลีเกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็ยังกินเหมือนเดิมตามใจปากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันไม่มีความไม่มีความยังไม่มียังไม่เจอความทุกข์ พอเจอความทุกข์เราถึงค่อยถึงค่อยเริ่มขยับนะเช่นนะพอป่วยจึงค่อยเลิกสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าน้อยลงหรือว่าอมีพฤติกรรมเสียงหรือหรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยแค่รู้ยัง ไ, ไม่พอมันต้องรู้สึกกลัวหรือว่าเจ็บปวด สูญเสียคนรักไปแล้วเศร้าโศกเสียใจจึงค่อยหันเข้าหาธรรมะบางๆ ท, งทีก็รู้ว่ามานานแล้วนะว่าวันนี้หรือวันแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ขนขวายเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะมันยังไม่รู้สึกยังไม่เจ็บไม่ปวดจะไม่เศร้าโศกพอไม่รู้สึกเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าความประหมา่า คนเราเนี่ยทั้งที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทาแต่ก็ยังละเลยเพิกเฉยเพราะว่าประมาทอาจจะคิดว่ายัางอีกไกลหรืออาจจะปลอบใจเออมนไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกซึ่งที่จริงเนี่ยมันเป็นแค่คำเรียกว่าลวงตาหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการโกรหกตัวเอง เป็นการปลอบประโลมใจบางคนเนีกับที่ว่ารู้นะว่าคนเราต้องตายแต่ใจมันไม่คล้อยตามใจมไม่คล้อยตามาว่าชาวหนึ่งฉันต้องตายก็เลยเพลินอยู่กับชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานสิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะทําตาม ความรู้ที่มีก็เพราะว่าใจเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยความเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับความสุขสนานเพลิดเพลินกับการเสพหรือบางทีก็หมกมุ่นกับงานการทั้งทงที่รู้ว่าควรจะให้เวลากับพ่อแม่มากกว่านี้ควรจะให้เวลากับลูกมากกว่านี้แต่ว่ามันเพลินกับความสุข หรือหมกมุนกับงานการสิ่งที่ควรทําทั้งที่รู้ก็เลยไม่ได้ทํารู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีเป็นอันตรายกินเหล้าไม่ดีเป็นอันตรายแต่มันยังเพลิดเพลินกับรสชาติแห่งความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกระทั่งพอป่วยแล้ว รเรือว่าพอสายไปเสร็จแล้วก็ถึงค่อยบอกว่ารู้งี้ฉันไม่ทําองงวดไม่ทำเองงี้คนเราเนี่ถ้าว่าทําสามารถที่จะทําอะไรทันทีที่รู้ว่าควรทํเราเนี่ยโอ้ยคนเรานี่จะมีความทุกข์น้อยลงมากเลยแต่ก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ย ท, ทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ก็ไม่ทําไม่ควรก็ยังไม่หลีกเลี่ยงเพราะว่า มันไม่มีสิ่งกระตุ้นเราเพียงพอนั่นคือความรู้สึกความรู้สึกโกรธความรู้สึกกลัวความรู้สึกสยองหรือความรู้สึกทุกข์ที่มันบีบคั้นใจหรือหลต้องความเศร้าจะมาวัดได้ก็ต่อเมื่อมีความเศร้าเสียใจเพราะคนรักจากไปไม่มีสิ่งใด จ, จะปลอบปรลมใจได้ก็เลยมาครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะ สายไปแล้วหรือว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากเพราะเอาความโศกเศร้ามันก่อกินใจบางคนมาสนใจธรรมะแต่ว่าธรรมะมันก็ไม่สามารถจะซึมซับไปถึงใจได้เพราะใจไม่เปิดรับเพราะความเศร้านี่มันคลองใจมากท้ายกลเป็นซึมเศร้าไปแล้สุดท้ายก็ฆ่าตัวตาย ทั้งที่ก็รู้แล้ว่าธรรมะมันช่วยได้แต่ว่าใจมันไม่เปิดรับเลยเพราะว่าตอนที่มีโอกาสที่ใจจะเปิดรับธรรมะนี่ไม่สนใจการที่คนเราเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้สึกเนี่ยก็เลยทําให้มันมีสิ่งที่สําคัญนะที่จะช่วยเราได้เนี่ยสิ่งนั่นคือ เรียกว่าสังเวทนะคำว่าสังเวทในภาษาบาลีเป็นคำที่ดีนะพอเป็นภาษาไทยมันกลายเป็นคำที่ไม่ดีไปเลยความสลดทุดทูสังเวทเนี่ยภาษาบาลีมันแปลว่าความรู้สึกกระตุ้นใจหรือความรู้สึกปลุกสำนึกให้ได้คิดและลงมือกระทำอย่างตัวอย่างคน สาประเภทหลังเนี่ยสี่ประเภทเนี่ยที่พระเจ้าเปรี่ยนเหมือนกับไ ม, ไม้สี่ชนิดเนี่ยสามประเภทหลังเนี่ยพอเห็นพอได้ข่าวว่ามีคนตายหรือพอเห็นอยู่รู้ว่าญาติมิตรคนใกล้ชิดตายหรือพอความตายมาประชิดตัวทีแล้วเกิดการขยับเพรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดสังเวชเกิดความรู้สึก ที่มันกระตุ้นใจหรือว่าปลุกเร้าใจให้ได้คิดสองเวทเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นความรู้สึกนะที่สามารถจะทำให้เราได้ฉุกคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำที่ เราพูดควรจะไปสังเวชนิสสถานเนี่ยก็เพื่อ น, นี้แหละเพื่อได้เกิดความรู้สึกกระตุ้นใจหรือว่าปลุกสำนึกทำให้ได้คิดทำให้ลงมือปฏิบัติทำทำความดีเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยเพียงแค่รู้อย่างเดียวไม่พอเพราะความรู้มันอยู่ในหัว แต่ว่าพอมีสังเวชะหรือสังเวชเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่มันกระตุ้นไปในทางที่ดีให้ลงมือทําสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนําให้เจริญมราณสติเจริญมราณสติถ้าเจริญรลลึกถึงความตายของตัวเองถ้าทําได้ดีพอมันจะเกิดสังเวชใหม่ๆก็เกิดความกลัวฉันจะต้องตายหรือหรือเนี่ย ก็นึกถึงลูกนึกถึงคนรักที่ต้องที่ตัวเองต้องจากไปแต่ว่าในอีกส่วนนึงก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทความกระตือรือร้นที่จะทำความดีทำหน้าที่และรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางในการเจริญร้อนนัสติมันมีประโยชน์ตรงนี้คือมันกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก ในทางที่เป็นกุศลหรือบางทีไปงานศพนะเอาไปงานศพก็พิจารณาถ้าพิจารณาเป็นเนี่ยในแง่หนึ่งก็เกิดความกลัวแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เกิดความไม่ประมาทเกิดความรู้สึกกระตุ้นใจให้มันให้เกิดความไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตนะ คนเราเนี่ยแม้จะรู้มากรู้เยอะอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีหรือต้องรู้จักฝึกใจให้มีสังเวชด้วยแต่ว่าสังเวชเนี่ยนะในความหมายที่ดีน ะ, ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าว่าเราฝึกใจ ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเรารู้อะไรควรทำเราก็ลงมือทำเลยเนี่ยมันต้องอาศัยใจที่มีกำลังมั่นคงส่วนใหญ่เนี่ยรู้แต่ไม่ทำเพราะใจอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอคนสมัยนี้เป็นกันมากนะจิตใจอ่อนแอรู้อะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าใจไม่คล้อยไปทางนั้นเพราะว่าจิตใจอ่อนแอรู้ปฏิบัติทำดีนะแต่ว่ามันไม่อยากจะทะําอ่ะก็เหมือนกับหลายคนที่รู้ว่าออกกําลังกายดีนะแต่มันไม่อยากออกอ่ะอันนี้รู้ว่าใจมันอ่อนแอแต่คนที่ก็มีกําลังใจที่เข้มแข็งนะซึ่งอันนี้ ความหมายนัคือสมาธิมันก็จะลงมือทําเลยพอรู้ว่าอะไรพอรู้ว่าการออกกำลัดีก็จะทําเลยนะไม่มีการอิดออดในคนเราเนี่ยจําเป็นไม่ต้องฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มีกําลังชนิดที่พร้อมจะหนุนความรู้ที่มีรู้ว่าอะไรดีทําเลย รู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ทำมันนี่ต้องใส่ใจที่มั่นคงเข้มแข็งไม่งั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เราจะเคยได้ยินนะดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้รู้ว่ากิ๊กไม่ดีมีเมียน้อยไม่ดีมีชู้ไม่ดีแต่ว่ามันก็อดใจไม่ได้มันหักห้ามใจไม่ได้รู้ว่าทุจริตไม่ดีนะแต่มันหักห้ามใจไม่ได้มันก็เผลอทำ นี่ว่าจิตใจอ่อนแออย่างเราในการรู้อะไรดีแต่ไม่ทำเพราะจิตใจอ่อนแอแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งนะในการที่คนเราจะมีจิตใจเข้มแข็งนะส่วนนึ่งก็ต้องมีสตินะมีความรู้สึกตัวเพราถ้าไม่มีสติไม่ีความรู้สึกตัวนะกิเลสมันก็เอาไปกินหมดถ้า ม, มีสติไม่มีความรู้สึกตัว สิ่งที่สิ่งทีๆที่อยากทำก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันยังเพลินอยู่กับความสุขสนุกสนานยังติดโทรศัพท์มือถือยังติดเกมออนไลน์ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาใจใส่ในการเรียนได้อันนี้คือปัญหาของเด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่มีสติไม่มีความสึกตัวมก็่ายแพ้พต่อกิเลสได้ง่ายแพ้แพ้พต่อความสุขชั่วครู่ชั่วยามซึ่งมันก็ทาให เราผัดผ่อนไปเรื่อยผัดผ่อไปเรื่อยอะไรที่ดีควรทําแต่ก็ผัดผ่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด๋ย ว, ยวแทนที่จะเดี๋ยวนี้ก็เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผัดไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะว่ามันมีข้ออ้างอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยนะรู้มากรู้เยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยนะว่าเราจะมีชีวิตที่ผาสุขหรือว่ามีพฤติกรรมที่ปลอดภัยได้มันต้องจิตที่มั่นคงเข้มแข็ง หรือม่ชนะก็ต้องรู้จักปลุกสังเวทขึ้นมาเพื่อให้มีแรงขับในการทำสิ่งที่ควรทำไม่งั้นเนี่ยนะมารู้อีกทีก็สายไปซะแล้วแล้วก็บ่นว่ารู้งี้รู้งี้นะซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันสายไปซะแล้ว